ตอนนี้ไปเพึ่งพากันตั้งใจทำรวมติดใจของตนให้ดีเนื่องด้วยเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกันเมื่อมันยังมีกิเลสครอบงำอยู่ตราบใดมันจำเป็นที่เราจะต้องฝึกอยู่อย่างนี้แหละ ถ้าหาว่าไม่ฝึกคิดนี้แล้วก็ออกไม่มีทางนั้นที่จะละกิเลสได้เมื่อละกิเลสไม่ได้ทุกมันก็ต้องติดตามไปอยู่อย่างนี้แหละึ่งพากันินิดพิจารณาให้ดีถึงอย่างไรอย่างไรเราก็จะต้องได ทำความเพียรละกิเลส น, นี่แหละคือว่ามันความทุกข์นี่แหละมโนาภาคดันให้คนเราทำความเพียร พยายามเดินสายกลางตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้นั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ไปได้การทำความเพียร น, นี่ถ้าเพียรไปไม่ถูกทางมันก็ไม่สำเร็จความประสงค์ได้ที่นี่ก็จึง จะได้แนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายภาคเคลียนพยายามในข้อวัดปฏิบัตินี่ให้มันเป็นสายกลางไปอย่าให้ยิ่งเกินไปอย่าให้หย่อนยานเกินไป <c oughs> ทำอะไรก็ให้พอดีอันพอดีในที่นี้นั่น มันก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะทำอย่างไรจึงเรียกว่าพอดีมันพอดีแต่ที่นี่นี่ยมันต้องประเมินดูกำลังของตัวเองต้องดูกิเลสในหัวใจตัวเอง เ็นมันก็ต้องเข้มงวดขึ้นก็ไม่ต้องเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าการทำความเพียรอ่อนแอมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ผู้ใดเป็นผู้บากบั่นมานานพอสมควร ทำให้กิเลสตัณหามันอ่อนกําลังลงได้มาแล้วอย่างนี้การประกอบความเพียรมันก่อพอประมาณแบบนี้นะประกอบความเพียรพอประมาณมันกบกิเลสมันก็ไม่มีกําลังที่จะครอบงำจิตใจได้เพราะว่าได้บึกบืนทํา ชำระมันมาแต่เบื้องต้นแล้วมันอ่อนกำลังลงแล้วดังนั้นพอทำพอประมาณมันก็เป็นไปได้นี่แหละคำว่าดำเนินไปในทางสายกลางนะมันจะเอาเป็นแบบเดียวกันไม่ได้เลย กอาบางคนนะ่ะกิเลสมันยังหนาอยู่มันยังทำให้จิตเอียงไปข้างโน้นเอียงไปข้างนี้มากมายอยู่มันเป็นกลางอยู่ไม่ได้เมื่อก็จำเป็นต้องทำความเพียรอย่างเข้มงวดกวดขันเข้าไปจนกว่าว่าจิตนี้มันจะเป็นกลางลงไปต่อสรรพสังขารทั้งหลายมันจะไม่ยินดี เกินประมาณไปมันจับไม่ยินร้ายเกินขอบเขตอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าคำว่าปฏิบัติให้ทำดำเนินตามทางสายกลางนี่นะเมื่อเราทำความเพียรอย่างไรจิตใจมันเป็นกลางลงไปได้ เราทำความเพียรขนาดไหนจิตมันสงบอยู่ได้แล้วก็การดำเนินทางปัญญาก็ดำเนินไปได้สะดวกเป็นปกติเห็นปกติรู้สภาพความเป็นจริงสังขารร่างกายนี้อยู่อันอย่างนี้ท่านเรียกว่าดำเนินทางสายกลางไง เพรานทุกคนต้องรู้เรื่องเขาตัวเองว่าตนเองจะต้องทําความเพียนขนาดไหนมันจึงพอดีกันมันจึงเอาชนะกิเลสยำหยาบอันนั้นทําให้กิเลสหยาบอันนั้นมันอ่อนกําลังลงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วกิเลสอันหยาบหยาบมันก็จะไม่อ่อนกําลังลงทําให้เข้มแข็ง ถ้าไปเห็นแต่แก่รลับแกนอนเห็นแต่แกอยู่แกกินอย่างนี้นะเห็นแต่แกพูดคุยกันสนุกสนานวันแล้ววันเล่าไปอย่างเงี้ยกิเลสมันไม่เบาบางเลยผู <c oughs> ้ปฏิบัติธรรมมันต้องสำรวมตนในเรื่องมูนีิยต้องรู้จักประมาณในการกินในการนอน ในการสังคมการสังคมนี่ก็สำคัญอยู่เหมือนกันนะแต่ทำให้จิตมันค่อยเขไปได้เหมือนกันแหละบางคนเข้าสู่สังคมแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจของตนปล่อยให้ใจของตนเพลินไปตามอารมณ์นั่นนั่น อันนี้มันก็เป็นจุดเสื่อมทางหนึ่งทำให้จิตเอียงไปไม่ไม่เป็นมัตสิมมาอยู่ได้ดังนั้นการพูดการจาอะไรก็ต้องระมัดระวังต้องให้สมมาสมควรไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป อย่างนี้มันก็จึงไม่เสื่อมจากทางสายกลางถ้าว่าแสดงความยินดีก็เอ้วยินดีเอาจนเหลือร้อนอย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่ทางสายกลางแล้วจนลืมตัวอย่างนี้นะถ้าว่าแสดงความยินร้ายอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นความกโกรธไป เช่นนี้มันก็มันก็เป็นกลางอยู่ไม่ได้เลยจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติสมบัติเนี่ยเหนี่ยวรั้งจิตใจไว้ในเวลาเข้าสังคมอย่าให้ใจมันตื่นเต้นกับสังคมอย่าให้มันเพลิดเพลินไปกับสังคมต้องระวังจิตใจตัวเองอยู่เสมอ นี่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ปล่อยตัวไปตามกระแสของโลกทั้งหมดเลยนี่มัน ก, ก็ไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะ mm. นอนพอประมาณอย่างนี้นะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องสำเนียกตัวเองถ้าเรานอนมากมันเป็นยังไงอ่ะต้องที่สูตรตัวเอง ถ้าเรานอนพอประมาณตามกฎเกณฑ์อย่างนี้มันดีอย่างไรอ่ะหมู่นี้นะต้องพิจารณาแหละต้องทดสอบให้หมดทุกอย่างมันตึงจะลงเอ่ยได้การนอนก็ต้องให้เป็นมัชชิมาปฏิปทาเหมือนกันนะนอนมากเกินไปมันก็ไม่มีเวลาจะได้ทำความเพียรจิตใจก็ ไม่ค่อยเวรเบริกบานผ่องใสอะ่ะคนนอนมากใจมัวหมองปัญญาก็ไม่เดินปัญญาก็ไม่เกิดฉะ <c oughs> นั้นเพิ่งพากันรู้ตัว <c oughs> ก็เพราะไม่มีปัญญานั่นแหละถึงเอาตัวรอดจากทุกข์ไปไม่ได้ต้องเตือนตนอย่างนี้ถ้าตนมีปัญญาอย่างสูงส่งแล้ว ตนก็ต้องละกิเลสนี่หมดไปแล้วต้องรู้ตัวอย่างนั้นอันที่มันละกิเลสยังไม่หมดยังไม่ได้นี่ก็เพราะมันขาดปัญญาเนี่ะสำคัญมากแม้บุคคลใดจะมีบุญกุศลอย่างไรมีความดีอย่างไรอยู่ในใจแต่ถ้าขาดปัญญาแล้วย่อมเอาชนะกิเลสไม่ได้เลย บุคคลจะถอนรากของกิเลสออกเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตแล้วก็อยู่ที่ปัญญาเลยทีเดียวนะหให้พึ่งพากันเข้าใจ <c oughs> น, นั น, นกินเกินประมาณก็ไม่ดีอาหารทับทาดไปนั่งภาวนาก็มีแต่งโงกแต่ง่วงไม่เป็นอัน ภาวนาเลยเพราะว่าอาหารมันทับทาดคนกินมากแล้วก็มีแต่นอนเท่านั้นแหละไม่มีอะไรละเย่งนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่นะมันจึงเป็นไปเพื่อคลายกิเลสตัณหาให้น้อยเบาวางออกจา ก, กจิตใจ อาผู้ไม่ปฏิบัติทมแล้วก็อย่างว่าเนี่ยกินมันเต็มที่นอนมันเต็มที่เที่ยวหาความสนุกสนานมันเต็มที่อย่างนี้นะไม่มีพรอนกให้เป็นเบาลงไปเลยอ่ะเช่นนี้เราวมันก็ไม่มีทางนะที่จะละกิเลสตัณหาหน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้ มีแต่พอกคูณกิเลสให้หนาแน่นขึ้นไปพอกคูณความโลภความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนันแะความไม่ยินดีในสมบัติที่ตนมีอยู่แต่เห็นสมบัติของผู้อื่นมากกว่าตัวก็ทะเยอทะายานอยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนที้ปล้น ช้อโกงหลอกลวงเอามาอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าความโลภนะเพิ่งพากันเข้าใจการหาเงินหาทองด้วยความหมั่นความขยันด้วยทางสุดจริตแล้ว ไ, ได้มามากนั้นท่านไม่จัดว่าเป็นความโลภจัดว่าเป็นความสามารถของผู้นั้นหรือว่าบุคคล อาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนมันอำนวยผลให้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายเช่นบางคนเกิดมาในตระกูลมั่งคั่งอย่างนี้นะเมื่อพ่อแม่ล่วงรับไปแล้วสมบัติมันก็ตกแก่ลูกลูกก็ได้รับมรดกจากพ่อแม่ไปได้อย่างสบาย ไม่ได้กลา ก, กรรมลำบากหาเงินหาทองเหมือนอย่างมานดาวิด า, เ, าเช่นนีนะ้เรียกว่าผลบุญกุศลต่ชาติก่อนนั่นมันมาอำนวยให้มันก็ได้มาอย่างงไไ่ายดายนี่ตะพูดถึงการได้สมบัติของคนในโลกอันนี้นะก็เรียกว่ามันได้มาอยู่ ถ้าจัดเป็นประเภทแล้วก็มีอยู่สามประเภทแล้วประเภทหนึ่งนะเรียกว่าได้มาโดยทางทุจริตช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอาขี้ปล้นเอาโมนี่แล้วก็สามารถได้เงินได้ทองมาใช้ายมากมายเหมือนกันนะแต่ว่าเงินได้มาโดยทางทุจริตอย่างนี้มันไม่ร่ำรวยหรอก พอจะได้ใช้เท่านั้นแหละแม้จะได้มามากเท่าไหร่มันก็ไม่เหลือนะมันหมดไปเพราะว่าคนเรามีคนที่มีบุญน้อยอะ่ะมันคลองสมบัติไว้ไม่ได้เลยแม้จะได้มากยังไงมันก็เมื่อมีสมบัติมากเข้ามาแล้วใจก็เดือดร้อนอยากจะใช้อยากแกจ่ายอยู่อย่างนั้นแหละคนบุญน้อยอะ่ะออ คนบุญมากไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อได้สมบัติมาแล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่ทะเยอะทะยานอยากจะใช้จะจ่ายเกินขอบเขตก็รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายรู้จักใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นและให้เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า นี่ธรรมดาผู้มีบุญนะบุญนำานวยผลให้มีพอพะทรัพสมบัติมาแล้วก็ไม่หวงแหนไว้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตันหามีปัญญารู้จักใช้รู้จักใจให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไอคนที่ขาดปัญญาแล้วนะ บุญกุศลอำนวยผลให้ร่ำรวยมั่งมีเงินทองเข้าของมากมายมาแล้วมีแต่ตนีมีแต่หวงแหนไม่จัดสรรให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นหรือไม่จัดสรรให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี้แต่ยังใดมีแต่หวงแหนไวโดยส่วนเดียว มีในโลกนี่นะีมันมีอยู่ทำไมมันถึงแตกต่างกันอย่างนั้นที่มันแตกต่างกันอย่างนั้นก็เพราะว่าในชาติก่อนโน้นบุคคลที่บริจาคทา น, นั้นย่อมมีความตั้งอกตั้งใจต่างๆกันไอ้พวกที่ มีโลภะทันหามากนะเชื่อโยเชื่อว่าผลทานนี่อำนวยให้มีความสุขความเจริญจริงเช่นนี้แล้วก็ทำบุญบริจาคทานไปก่อนจะให้ทานก็อธิษฐานขอให้อำนาจบุญกุศลอันนี้จงอำนวยผลให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเงินทองเข้าของมากมาย อย่างนี้แหละเมื่ออธิษฐานในใจอย่างนี้แหละก็ให้ทานไปเมื่อเวลาผลทานที่มันอำนวยให้ว่านี้ก็ร่มรวยมั่งมีขึ้นมามากมายแต่แล้วก็เป็นเหตุให้ตะหนีหวงเห็นไม่พอใจที่จะทำบุญบริจาคทานเลยก็เพราะมันตั้งจิตไว้แต่ทีแรกนั้นผิดไปเนี่ย มุ่งแต่จะให้ได้เงินได้ทองมามากมายอย่างนั้นไม่มุ่งว่าร้วอำนาจผลทานนี้ขอให้พ้นทุกข์นภัยในวัฏสงสารไปไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็จึงแต่งจิตใจให้เกิดห่วมความหวงแหนความตณี ไม่ได้ทําทรัพสมบัติเกิดจากผลบุญกุศลอันนั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแต่อย่างใดไปๆก็ตายไปเสียเปล่าทิ้งสมบัติไว้ให้คนอื่นไปตนเองก็ได้แต่ความทุกข์นั่นแหละติดตัวไปอ่ะเราะไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอะไรเลยมือเทตะหนีทีเนี้ย <c oughs> อันนี้อีกประเภทหนึ่ง บุคคลผู้ที่ตั้งความหมั่นความขยันลงในใจตั้งความอดความทนลงเสวงหาทรัพสมบัติเกินทองด้วยความหมั่นความขยันนั้นและแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ไปช่อบไปโกงไปหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตอนเรีว่าหาไปโดยศีลโดยธรรม หาได้ ด, ด้วยความหมั่นความขยันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่เมื่อได้เข้าของเงินทองมาแล้วคนเช่นนี้ก็มักจะมีใจกว้างของเผื่อแผ่รู้จักจำแนกแกกทานเป็นแต่บางคนก็อย่างว่านั่นแหละเมื่อได้มาแล้วคาถนีทีเหนียวก็มีถึงแม้ได้มาโดยทางสุจริตก็ตามแหละ นั้นมีนิสัยติดตามมาแต่ชาติก่อนนูน่นแต่ชาติก่อนก็เป็นคนมักใจอคอขับแคบมักจะเสียดายอะไรวัตถุสิ่งของนั่นเป็นอย่างมากทีเดียวแหละทีนี้บางจําพวกก็ได้มาด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่ตนได้ทํามาแต่ชาติก่อน มันมาอำนวยผลให้ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วก่อนจะให้ทานก็ได้ยกทายทานเทียบบนศรีรษะแล้วก็อธิษฐานว่าโดยอำนาจผลทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกพ้นจากทุกภัย ใ, ในวัฏฏะสงสารนี้เพราะว่าโลกสงสารอันนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเหลือเกิน มาลำพึงถึงความทุกข์ในชีวิตแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้บุญกุศลได้ช่วยตนให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏฏสงสารนี้เมื่อเมื่ออธิษฐานใจอย่างนี้แล้วก็ให้ทานไปคนประเภทนี้แหละเมื่ออำนาจทานนั้นมันให้ผลในภายหลังเป็นคนเกิดในตระกูลสูงมีเงินทองเข้าคองมากมาย มาแล้วก็ไม่สนีทีหนี้วยินดีในการบริจาคทาน<ม>เพราะว่าบุญกุศลมนตกตกแต่งให้เกิดปัญญาขึ้นดำริตรีตองในใจได้ว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ย่างยืนเมื่อชีวิตนี้ไม่ย่างยืนแล้วสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่ย่างยืนเหมือนกันต่างก็จะต้องได้พัดพากจากกันไป เพราฉะนั้นเมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่เก้าของเงินทองก็ยังมีอยู่อย่างนี้ไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสอันนี้ล่วงเลยไปเสียเปล่าควรจะจัดสรรเงินทองเก้าของเหล่านี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นและให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันด้วยเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าด้วย เมื่อดำลิได้อย่างนี้แล้วมันก็ทำจำแนกแจกจ่ายเงินทองเข้าของนั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเิหิปฏิบัตินั่นแหละก็เมื่อเสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาโดยทางที่ชอบแล้วหนึ่งเลี้ยงตัวมารดาบิดาบุตรภรรยา บ่าวไถ่ให้เป็นศุขสองเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นศุขสามเก็บไว้สำหรับบาบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆสี่ทมพรีห้าอย่างก่อญาติพรีสงเคราะห์ญาติขออติทีพีต้อนรับแขกขอบุพเพตะพรีทาบุญอุทิศให้ผู้ตาย ขอรราชพีถวายเป็นหลวงมีเสียภาษีอากรเป็นต้นงอเทวตาพรีทำบุญอุทิศให้แก่เทวดาก็คงจะได้แก่มารดาบิดาก็มีพระคุณอันเลิศนี่แหละสมมุติเหมือนอย่างเทวบุตรเทวดาห้า บริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤตชอบนี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาสั่งสอนพุทธบริษัทผู้ครองเรือนทั้งหลายไว้ดังนี้ดังนั้นเมื่อผู้ใดเป็นชาวพุทธมีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆแล้วก็สมควรที่จะปฏิบัติตาม ศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้เต็มความสามารถ mm. เพราะว่าทรัพย์สมบัติเมื่อแสวงหาได้มาแล้วเก็บไว้เฉยๆไม่คิดใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์มันก็อย่างว่านั้นแหละนอกจากว่าจะไม่เป็นประโยชน์และยังเป็นเหตุให้จิตใจผูกพันอยู่อีกด้วย ใจยึดมั่นถือมั่นว่าของเราของเราเสียดายอะไรมันอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าละไม่ได้เดะตายลงไปมันก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งเฝ้าขุมทรัพย์อยู่อย่างนั้นเนะี่ยเพราะว่าคนตณนีที่เหนียวอย่างนั้นนะมักจะรอบลักเอาสมบัติเหล่านี้ไปฝังไว้ในที่ใดที่หนึ่งไม่ให้ใครรู้เลย อย่างนั้นอันเดียว่าเอาไปเก็บไว้โดยไม่ให้ลูกใครล้านไม่ให้ลูกให้เมียไม่ให้พี่น้องรู้จักเลยอย่างนี้ก็มีนะบางคนอ่ะเช่นนั้นแหละเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดห น, นึ่งเฝ้าอยู่นั่นเองเช่นเป็นงูอย่างที่ท่านกล่าวไว้นั่นนะอันนี้แหละคนเราเมื่อดําเนินชีวิตไปโดยไม่เป็นทางสายกลางแล้ว มันก็ชอบแต่ที่จะคล้องอยู่ในโลกนี้แหละจิตใจอันนี้นะเพึ่งพาการพิจารณาให้ดีการที่กล่าวมาโมเทกที้เนี่ยแสดงว่าจิตใจมันเอียงไปทางรักมากอ <c oughs> แต่อย่างนั้นมันจึงเป็นเหตุให้จิตใจนี้เกาะขอ้องอยู่ในโลกอันนี้อ <c oughs> เมื่อเอียงไปข้างรักแล้วอย่นียไปไปมันก็เอียงไปข้างชังนั่นแหละเพราะมันเป็นคู่กันกินเลสเหล่านี้นะเช่นอย่างมบุคคลบางคนน่ะมีผัว ม, มีเมียมาแล้วเนี่ยทีแรกก็รักกันสุดอกสุดใจเลยทีเดียวทัานอยู่ด้วยกันไปนานไปไม่เกิดขัด ความคิดความเห็นกันขึ้นมาคือเรียกว่าความคิดความเห็นเกิดไม่ตรงกันขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่ยอมลงรอยให้แก่กันเลยต่างคนต่างก็ถือมานะว่าตนน่ะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งเหมือนกันอย่างนี้นะไม่ยอมลงเอ่ยให้แก่กันและกันเลยไม่ยอมอ่อนเนอ้อต่อกันในทางความคิดความเห็นเลย ต่างคนต่างก็ว่าฉันจะเอาตามความคิดเห็นของฉันนี่แหละไม่เอาตามความคิดของคุณแหละอย่างงี้นะในที่สุดมันก็ได้ทะเลาะวิวาดหย่าร้างกันไปนั่นนะได้บอกความรักเมื่อไม่รู้เท่ามันก็เลยกลายเป็นความชังไปมันเป็นอย่างนี้กิเลสเรเาเนี่นเป็นคู่กันนะที่นี้พูดถึงความรัก ถ้ารักด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมไม่ไม่รักด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาโดยส่วนเดียวเช่นนี้แล้ว อ, อาศัยความรักนั่นแหละพาให้บุคคลเราได้สร้างบุญสร้างบารมีได้สมัครสมานสามัคคีกันเช่นอย่างในครอบครัวตัวเรือนอย่างนี้นะ เมื่อเรารักปรารถนาให้กันและกันเป็นสุขไม่ปรารถนาให้ใครเป็นทุกข์ในครอบครัวในวงสาคนาญาตอย่างนี้นะมีความเมตตากรุณาต่อกันและกันชักชวนกันละความชั่วทำความดีไปอย่างนี้นี่ลหละความรักอันนี้นะมันก็นำความเจริญมาให้แก่ตนและครอบครัวและวงสาคนาญาต ถ้าจะว่าก่วงออกไปก็ตลอดถึงเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนร่วมประเทศกันถ้าว่าคนไทยเรานี่เนี่ยมีความเมตตากรุณาต่อกันและกันมุ่งหวังจะให้เป็นประโยชน์แก่กันและกันนับตั้งแต่ครอบครัวนี่แหละขยายออกไปจนถึงประเทศชาติบ้านเมืองแล้ว เราก็จะพร้อมเพียงกันเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญและความสุขกายสบายใจด้วยอำนาจแห่งความสมัรสมานสามัคคีกันด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละก็จะทำให้กิเลสตัณหามานะทิฐิอันเป็นไปในทางบาปอกุศลนั้นน้อยเบาบาง ออกไปจากกิจใจได้ก็เพราะเราดําเนินตามทางมัติมาปฏิปทาคือปฏิบัติไปในให้เป็นทางสายกลางการดําเนินชีวิตของเรานะการทํามาหาเลี้ยงชีวิตอย่างนี้เนะี่ยก็เรียกว่าทําไปในทางสายกลางไม่ให้เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนยานเกินไป อย่างนี้แหละผู้โยครองเรือนทั้งหลายก็จึงจะมีความสุขสวัสดีเพราะว่าผู้ที่ทำมาหาเลี่ยงขีบโดยทางสุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่หลอกลวงเอาของผืนเอาเป็นของตนไม่ทำลายล้างผานชีวิตของุคคนอื่นและสัตว์อื่น ไม่ล่วงเกินพันยาสามีของกันและกันในทางปักเวนีไม่ท่องติดรุนแรงเมื่อผู้ใดติดเข้าไปแล้วนั่นยากที่จะออกได้เลยแล้วก็ราคาก็แพงเสียด้วยเงินทองมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเลยดังนั้นผู้ใดที่ยังไม่ สร้งเสพก็กรุณาพิจารณาให้ดีๆเนะี่ยพี่นาให้ละเอียดให้เห็นโทษของมันจริงๆแล้วมันจะได้เบื่อหน่ายจะได้เว้นจะไม่ไปแตะต้องมันเลยของเสพติดเหล่านี้น้อยหนึ่งก็ไม่ได้บางคนก็มันล่อหลอกเป็นเนะ่ยอาธนาลองดูอันนี้่อยไม่เป็นไรหรอก อย่างนี้นะผู้เขาสร้างเจติติดมาแล้วเขาก็อยากให้คนอื่นติดไปด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นทุกข์มาด้วยของเหล่านี้แล้วก็ดึงเอาคนอื่นไปเป็นทุกข์ด้วยนี่คนเรามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละบางคนก็ไปหลงกลเขาอ่าก็ไปชิมชิมดูแหละนิดหน่อยทีแรกมันออกรสออกชาติสิวะนี่นะ เอ๊รู้สึกว่าดีไว้ต่อไปก็ชิมอีกนางเข้านางเข้ามันก็เลยติดเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีอะไร อ, อันบนี้นะบางคนก็เข้าใจว่าไม่เป็นเรื่องรไม่ไม่มีโทษร้ายแรงในความรู้สึกของบางคนนะนั่นียล ว, ว่ามันขาดปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นแหละ หากความพินิจพิจารณาขาดความตรีตรองให้ละเอียดถี่ท้วนถ้าผู้มีปัญญาแล้วมาพิจารณาโดยเหตุผลให้ถี่ท้วนลงไปแล้วโหวมันจะเห็นเป็นโทษอย่างมหาหันเลยอะ่ะอืมของเสพปิดใช้โทษต่างๆดังกล่าวมานี่เมื่อมันเห็นเนี่ยเป็นโทษอย่างร้แรงแนละ้วมันก็เว้นได้เลยถ้าหากว่าผู้ใด ได้หลงไหลซ่องเสบมาก็ออกได้เพราะเบื่อมันเห็นโทษมันจริงๆเนาะแล้วก็ในว่าทุกวันนี้เขาก็มีมียากินสําหรับให้มันเบื่อหน่ายของเศพติดเหล่านี้นะถ้าผู้ใดเห็นโทษของมันแล้วก็พอที่จะแสวงหารักษาตัวได้อยู่แต่ข้อสำคัญมันอยู่ที่คนเราเนี่ยมันมันไม่เบื่อหน่ายมันนี่แหละสาคัญอน่ะ มันชอบมันเลื่อยไปอย่างนี้นะเมื่อชอบมันเลื่อยไปมันก็ออกไมาได้จริงๆเลยถึงว่าโรงพยาบาลสำหรับรักษาคนป่วยชนิดนี้มีอยู่นี่มันก็ไม่ไปหาเพราะว่ามันกลัวจะได้ออกจากของเสพติดนั่นแนะแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็อ้าทู่ทนอดกั้นไปอย่างนั้นแหละบางคนนะไม่ นี่เรียกว่าคนเราไม่ไม่รักตัวเองนะปล่อยให้ตัวเองถล่มเข้าไปหาทุกข์แล้วก็ไม่ยอมถอนตนออกจากทุกข์นั้นเลยน่าทุเรศ จ, จริงๆนะบางคนนะแต่บางคนก็ถอนตนออกได้อันพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์ทรงสงสารสัตว์โลกทั้งหลายเหลือล้นพ้นประมาณ ทิ้งใดที่มันนำทุกข์นำโทษมาให้แก่คนทั้งหลายพระองค์เจ้าก็นำมาสแสดงหมอดูนี้แหละแต่ผู้เป็นลูกศิษย์ของพระองค์น่ะหากประมาทไม่เคารพในพระองค์เองไม่เคารพในคําสั่งสอนของพระองค์ไม่เคารพในพระสงฆ์สาวกผู้นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นมาแนะนําสั่งสอน แต่ว่านับถือไปพอแต่ตามประเพณีนิยมอย่างนี้เฉยๆส่วนมากไม่นับถือแบบที่ว่าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนจริงจังอย่างนี้แหละเมื่อมารวมกันอยู่ในศาลาการประเรียนอย่างนี้อแทนที่จะอดทน ร่วมการปฏิบัติทำไปให้ตลอดอย่างนี้ก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ตลอดเลยกระลุกหนีไปกลางคันเสียมีเป็นส่วนมากอย่างนี้น่าทุเลศจริงๆนี่ความอดความทนทานไม่มีเลยคนเราอ่ะ กระทั้งนี้เพราะว่ามันมองไม่เห็นมันพิจารณาไม่เห็นอ น, นิสงฆ์แห่งความอดทนนั้นเองเนี่ยไม่พิจารณาไม่เห็นว่าการที่เราจะเอาชนะมารคือกิเลสได้เนี่ยเราเอาชนะได้ด้วยวิธีอย่างไรอย่างนี้มันไม่ได้คิดเลย ท ำ, ทำตามหมู่ไปเฉยๆนี่แหละแต่ตนเองไม่มองไม่เห็นวิธีด้วยตนเองถ้าผู้ใดมองเห็นกรรมวิธีด้วยตนเองแล้วมันก็สู้สิแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านน่นมาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเตือนใจพระองค์อธิษฐานใจมั่นอยู่ในใต้ต้นไม้พระศรีมหาพ่อด้นน่ะว่า เมื่อพระ อ, องค์ได้เพระทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์นี้แล้วแล้วก็เพื่อที่จะภาวนาชำระ ก, กิเลสตัหาให้หมดสิ้นไปจากพระทยัยของพระ อ, องค์ให้ได้ในค่าคืนวันนี้แหละถ้าหากว่าลากกิเลสตันหาให้หมดสิ้นไปจากจิตใจนี้ไม่ได้แล้วก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลย พระ อ, องค์ก็ทรงอธิษฐานในพระทัยอย่างนี้เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาเรื่อยไปสู้กับกิเลสสมานต่างๆนานาวันนี้ไปโดยลำดับจนถึงชวนสว่างในที่สุดพระ อ, องค์ก็เอาชนะกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ทั้งหลายได้โดยประการทั้งปวงเรียกว่าได้ตรรุสัมมาสัมโพธิญาณ สมพระประสงค์จริงๆนี่ผู้ใดไม่นึกถึงความเป็นมาแห่งพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติคำสอนของพระองค์ให้ได้เต็มที่เลยเพ่ะเอาใจใจตัวเองว่าเมื่อใจตนเองชอบอย่างไรก็ทำไปตามเลย แล้วใจตัวเองนั่นมันแช่อยู่ด้วยกิเลสซีบะเนี่ยกิเลสมันเป็นใหญ่ในหัวใจนั่นแ่ะธรรมดากิเลสเนี่ยมันก็ไม่ชอบให้คนเราละมันทิ้งไปแหละเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันก็อยากอยู่กับมนุษย์เราไปชั่วกาวศาลนูน่นมันไม่อยากทอดทิ้งมนุษย์ไปเลย ดังนั้นแหละเมื่อเมื่อมันรู้ว่าคนใดเนี่ยพยายามที่จะสลัดทิ้งมันออกไปแล้วมันจะต้องต่อสู้เลยวแบบนี้น ะ, ะมันจะต้องแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเอา้าบันดาลให้ง่วงเหงาเผนอนอ่อนเปรียร้ยเพลียแรงไม่มีแรงที่จะนั่งสมาธิให้ตัวกรงอยู่ได้สติก็อ่อนแอ ความอดทนอะไ้ก็อ่อนแอลงโดยอำนาจแห่งมารคือกิเลสน่ะมันครอบงาเอาอนี่แต่บุคคลพวกนั้นไม่รู้คนของมาร น, น ะ, อะยอมแพ้มันไปเลยเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ภาวนานี่กิเลสก็ไม่เบาบางเหือดแห้งไปเลยเพราะว่าสู้มันไม่ได้นี่ เป็นกิเลสมันทำให้ง่วงอย่างนี้ก็ง่วงไปเลยแก้ไม่ตกเลยอย่างนี้นะมันจะลากกิเลสเหล่านั้นได้ยังไงล่ะ น, น, นั่นเนี่ยก็ความง่วงเหงาหาวนอนนี่มันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งอย่าไปเข้าใจว่าไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่เราจะต้องละพระศาสดาก็ทรงสอนให้ละเหมืออย่างในตำราที่ท่านกล่าวไว้ว่า ก็มาหาโมกขลานะนั่นน่ะถึงแม่ท่านจะได้บรรลุโสดาบันแล้วไอ้ธีนมิทะความง่วงเหงาห่าว น, น, นี่ก็ยังละไม่ได้ทาไปนั่งภาวนาอยู่ก็เกิดความง่วงมันครอบงำเอางอกไปงกมาพระศาสดาทรงรู้ด้วยพยานก็จึงได้เปล่งพระรัตนหมีไปปรากฏต่อหน้าของท่าน แล้วก็แนะนำอุบายวิธีละความง่วงเหงาหาวนอนนั้นโดยประการต่างๆเป็นต้นว่านึกถึงบทเรียนที่ตนได้เรียนวิชาความรู้ในทางศีลธรรมอะไรมาก็ทบทวนดูให้มันรู้มันเห็นเมื่อใจมันจดจ่อไปในทางาธรรมะนั่นแล้วมันจะหายง่วง ถ้าเช่นนั้นก็เดินจงกรมมองดูท้องฟ้าที่มันสว่างสวัยอยู่มือเนี้แล้วมีฉชนั้นก็ล้างหน้าล้างตามือนี้แหละเมื่อหายจากความว่วงแล้วก็มานั่งสมาธิภาวนาใหม่ พยายามอย่างนี้ไปมันก็จะเอาชนะความง่วงได้ในเวลาหนึ่งให้ได้เลยเพราะว่าเราเห็นโทษของมันนี่เราไม่เราไม่สนับสนุนมันไม่ส่งเสริมมันมีแต่จะกําจัดมันออกไปท่าเดียวอย่างนี้มันไม่เหลือวิสัยแล้วเอาไปมามก็หายไปได้เลยเมื่อความง่วงมันหายไปร่างกายก็ปลอดโปรง่งจิตใจก็ปลอดโปร่งดีอ่า น้อมใจลงสู่ความสงบมันก็สงบไปได้เรียว่ามันไม่ถูกความว่วงครอบงำสงบแบบมีสติรู้ตัวอยู่ว่าจิตตนสงบจิตตนไม่ห่วงใยอะไรจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่เรื่อนลอยไปไหนจิตสงบเป็นกลางอยู่ในปัจจุบันนี้ก็รู้ตัวได้เลยบบบนี้น ะ, ะนั่นแหละ <c oughs> ผู้ใ้เอาชนะมานคือความง่วเหงาหาวนอนได้อย่างนี้แล้วก็ได้ประสบบุญกุศลอย่างมากมายนั่นแหละบางคนก็เป็นเจ้าความคิดนั่งคิดนั่งวิจาร hiding? อะไรต่ออะไรเรื่องไม่เป็นสาระแกนสาร อ, อย่างนั้น <c oughs> อันเรื่องที่เป็นสาระแกนสารต่อชีวิตไม่ชอบคิดไม่ชอบวิจาร์อย่างนี้ท่านเรียกว่าอุชจะปุกุจานิวอนอเมื่อทรงใจไปคิดไปกับเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระประโยชน์แล้วบุญกุศลก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในจีตใจของผู้นั้นนะก็มีแต่ พ, พ่อคูณกิเลสไถนาแน่นขึ้นไปอ่าเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้รู้จักต้องให้เห็นโทษแท่งการปล่อยจิตให้พุ่งซ่าเลื่อนลอยไปอย่างนั้นจะต้องหาหนทางละงับมันหนทางละงับความพุ่งซ่าแห่งจิตมันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะพระศาสดาทรงสอนให้ตั้งสติแห่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ ไม่ไปเพ่งดูในเรื่องอื่นเลยเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี่แหละเมื่อใจมันได้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะค่อยหยุดลงแหละความคิดนะนะมันจะลดน้อยลงนอยลงในที่สุดมันก็หยุดลงได้เลยเพราะว่าใจมันมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่ มันไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องอะไร่อะไรอย่างนี้นะดังนั้นแหละอุบายวิธีอุบายวิธีฝ <c oughs> ึกจิตใจนี่พระศาสดาจึงได้ทรงแสดงไว้ <c oughs> <c oughs> หลายอย่างหลายประการเพราะว่าจริตนิสัยของคนเรานะ่ะมันไม่เหมือนกันนะ <S <S พวกที่นั่งอยู่แล้วชอบงกูงกง่วงเงาห้าวนอนโมนี่ไม่ชอบคิดอ่านอะไรนี่พวกท่านเรียก ว, ว่าโมหะจริตเป็นผู้ถูกโมหะคือความหลงครอบงําจิตใจมากพวกนี้เป็นอย่างนั้น ไอ้พวกที่ชอบคิดอ่านอะไรต่ออะไรไม่หยุดไม่ยั้งอันนี้เนะี่ยก็จัดว่าเป็นโมหะจริตเหมือนกันนะเพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงได้คิดอะไรต่ออะไรไม่มีจุดหมายปลายทางมันไม่จำกัดความคิดเลยพวกที่ชอบสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณทอดพิจารณาอะไรก็ไม่เจมกระจ่างในใจเลย นี่ก็เป็นโมหะจริตเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้น <c oughs> คนที่รักสวยรักงามในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมูนี้อย่างรุนแรงอ่ะอันนี้เรียกว่าราคะจริตเป็นผู้เอาความรักความใคร่นี่เป็นนายหน้าเลยประเดียวจูงจิตจูงใจนี่ให้ไปทำความชั่ว ดวงใจให้ไปผูกพันอยู่กับของที่ไม่เป็นสาระแกนสารนั่นแหะบางคนก็เป็นคนเจ้าความโกรธเป็นคนชอบผูกโกรธไว้ในใจไม่ไม่ยอมให้อภัยแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่มาล่วงเกินตนอย่างใดอย่างหนึ่ง อันนี้ท่านเรียก ว, ว่าโทสะจริตเป็นผู้มากไปด้วยความโกรธความพยาบามบาาาคัดจงเวนมูนีเมื่อจิตใจมันเป็นไปในทํานองนี้แล้วมันก็ไม่มีเมตตาการุณาแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยนี่ มันมีแต่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเป็นส่วนมากเลยทีเดียวคนทอศาสตร์จริตนี่ไม่ยอมให้เอาภัยแก่ผู้ผิดกูดง่ายๆธรรมดาคนเราในโลกนี่มันก็มีผิดบ้างถูกบ้างแต่ละคนนี่จะให้ถูกหมดไม่มีผิดเลยเนี่มันไม่ได้คนยังมีกิเลสอยู่ เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้มันเห็นอวิถีชีวิตของคนเราที่อยู่ร่วมโลกกันเนี่ยเมื่อพิี่ณาเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็จะให้อภัยกันได้ความโกรธมันก็บวาวางลงผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ไม่ผูกพยาบาทอือย่าบอกคนขาดปัญญาแล้วมันแย่เหมันกันเนี่ยจนมุมต่อกกิเลสผูกง่ายๆ เนี่ยทศชาริตนนี้ถ้าหาว่าไม่เพียรไม่ยามกรรมจัดมันแล้วมันก็ทำให้คนเราได้ทำบาปแหละวันนี้นะจูงใจให้ไปทำบาปให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นกรรมเป็นเวรกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นเลยพระศาสดายังได้ทรงสองในให้เจริญเมตตากรุณาให้มากๆให้พิจารณาให้เห็นว่ามนุษย์ก็ดีสัตว์ใจฉานก็ดีที่เกิด ร่วมโลกกันอยู่เนี่ยต่างคนต่างก็แสวงหาความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยต่างแต่ว่ามันผู้ดใดมีกิเลสมากมันก็แสวงหาความสุขได้แต่น้อยนั่นแหละมันก็ไปทําความชั่วมากกว่าความดีนี่คนที่ทําความชั่วมากๆอยู่นั้นก็เพราะว่ากิเลสมันมากเนี่ยเราก็ควรให้อภัยนั่นว่า ทำยังไงได้เขามันละกิเลส ย, ยังไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะไปจงเกียดจงชังจนว่าเกินขอบเขตแไรอย่างนี้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรอีกเหมือนกันแหละดังนั้นควรให้เอาภัยต่อกันและกันอ้อผู้นี้เป็นโทสัจจริตเนาะเป็นคนโกรธง่ายพูดอะไรใครพูดอะไรไป พอไม่ถูกใจหน่อยหนึ่งก็แสดงอาการโกรธขึ้นมาเลยอย่างนี้นะไอ้ผู้ที่รู้ตัวอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ไม่โกรธตอบให้อภัยกันไปเมื่อไม่กรดตอบแล้วผู้นั้นมันก็รู้ตัวภัยหลังมามันก็ระ ง, งับไปเองมันแหละความโกรธนั่นนะ่ะนี่เราต้องปฏิบัติต่อกันอย่างนี้คนเกิดมาในโลกนี้นะ เพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องการความสุขเหมือนกันแหละขึ้นชอวะความทุกข์เราไม่มีใครต้องการต่างคนต่างก็พยายามดินนออ้นรนที่จะถอนตนออกจากทุกข์เหมือนกันแต่ว่าคนที่มีความเห็นผิดนั่นมัน ถ, ถอนตนออกไม่ได้แม้จะดิ้นรนยังไงมันก็ถอนตนไม่ได้เลยเช่นมันเห็นไปว่า บาไม่มีบุญไม่มีอะไรมูนี้นะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพานิพานไม่มีเมื่อมันปฏิเสธสถานที่ดังกล่าวนี้ลงไปแล้วมันก็ไม่ไม่เพียรไม่ยามละความชั่วทําความดีให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วผลผู้นั้นนะมันก็จะต้องถูกกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้ฉุดคล้าไปทําความชั่วนั่นแหละมากกว่าทําความดีอ่า เป็อย่างนั้นสําหรับคนที่ได้คบหาสมาคมกับนักปราบบัณฑิตมาแต่ชาติก่อนนัน่นนักปราบบัณฑิตท่านแนะนําให้มีความเห็นถูกเห็นชอบเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงอย่างนี้ ผู้ฉทนันต์แล้วมังก็เพียรละชั่วทำดีมาแต่ชาติก่อนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาพอเกิดมาชาตินี้ก็ได้ไปพบนักปลดบัณฑิตเข้าเพราะว่าแต่ชาติก่อนตนก็ชื่นชมยินดีกับนักปลดบัณฑิตมาแล้วอืเบื่อต่อคนพานนั่นบุญกุศลอะไรนั้นมันก็บันดาลให้ได้พบหาสมาคมกับนักปลดบัณฑิตเช่นอย่าง ทายกทายิกาได้คบหาสมาคมกับพระสงฆ์ผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามธรรมวินัย อ, อย่างนี้นะพระท่านก็จะแนะนำให้ทายกทายิกาผู้นับถือเรื่อมใสนั้นดำเนินไปในทางที่ถูกในทางสายกลางดังกล่าวมาแล้วนั่นแหล ะ, อ, ะอุบายวิธีอันใดที่จะแนะนำให้ ผู้ฟังทั้งหลายทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อสรรพสังขารทั้งหลายในโลกนี้ท่านก็จะแนะนำไปดังที่แนะนำมานี่แหละก็ขอให้พากันพิจารณาให้ดีการที่เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่น ะ, ะนี่แหละ มันเป็นอุบายวิธีที่จะทําใจให้เป็นกลางอยู่ได้ไม่ใช่ว่าไปทําใจใเป็นกลางในเวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นเดีวเวลาออกจากสมาธิภาวนาไปแล้วไม่ควบคุมจิตอันเป็นกลางนี้ไว้ให้เป็นปกติไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแหละอ่ามันจะเป็นกลางอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเป็นอย่างนั้นนะ ที่มันจะเป็นกลางสม่าเสมอไปได้ก็เพราะว่าเมื่อออกจากสมาธิภาวนามาแล้วเราก็มีสติสำบั ญ, ญญานันประคับประคองจิตนั้นเสมอไปคอยระมัดระวังเรื่องที่ไม่ดีไม่งามงต่างๆมันกระทบกระทั่งมาแล้วจิตจิตนี้มันจะเผลอไปยินดียินร้ายไปตามเรื่อ ง, งต่างๆที่กระทบมานั้น่ะ ต้องระวังอยู่เสมอตลอดเวลาเลยอันนี้นะต่คนส่วนมากมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะไม่ค่อยระวังตัวนี่อเมื่อไม่ระวังอย่างนั้นเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ลืมตัวแล้ววันนี้เผลอไปแล้วถ้าเป็นเรื่องที่น่ากโกรธมาถึงเข้ามันก็โกรธไปแล้ววันนี้เยัง่งจิตไว้ไม่ทันแล้ว เพราะเหตุว่ามันไม่ได้ควบคุมจิตใจมาแต่ก่อนถ้าเป็นเรื่องที่จะให้เกิดความรักความใคร่ความโลภอะไรขึ้นมาเนี้ยมันก็รักก็ใคร่ก็โลภเล่งเพ่งเลงไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละทาชั่วไปได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้คนเรานะเมื่อขาดการรักษาจิตใจตัวเองเสมอแล้ว มันมากจกพลาดไปในทางชั่วให้พากันรู้ตัวนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่เนะมันดีเหลือเกินนะทรงสอนให้เอาสติไปตั้งไวในฐานทั้งสี่ตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่เวทนาตั้งไว้ที่จิตตั้งไว้ที่ธรรมารมที่เกิดกับจิตใจนั้น ถ้าเมื่อเอาสติไปตั้งไว้ในฐานนั้งสีนี้แล้วบุคคลผู้นั้นย่อมไม่ลืมตัวเลยย่อมไม่หลงไหลทำความชั่วไปได้ยับยังชั่งใจได้เลยเมื่อเรื่องชั่วที่จะมามาถึงเข้านะเรียกว่าคนอื่นเอาความชั่วมาให้พูดง่ายๆเช่นอย่างว่าเขามาชวนทะเลาะอย่างนี้นะมาด่าว่าติเตียนเข้าไป ดูถูกดูมินเข้าไปอย่างนี้เรียกว่าเขามาชวนทะเลาะแล้วนั่นนะเรารู้ตัวได้เราไม่ไปตามหากข้ามจิตใจได้เลยอย่างนี้นะเรื่องนั้นมันก็ระงับไปเองแนละ้่ยวันนี้มันไม่ลุกลามไปเลยเมื่อเราไม่ส่งเสริมแล้วนะนั่นจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้แล้ววันนี้ก็สามารถรักษาจิตนี้ให้เป็นกลางอยู่ได้เอยไป แต่ว่าเมื่อเมื่อบุคคลพยายามภาคเพียงไปทีแรกนี่มันก็มันก็จะมีเอียงไปบ้างอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าเมื่อเราพยายามกระทําไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วความเป็นกลางนี่นะมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นอให้พากันเข้าใจเราไม่พยายามไปชไหนแล้วมันจะเป็นกลางอยู่ได้อืเพราะกิเลส มันคอยแต่จะจูงใจให้เอียงไปข้างโน้นข้างนี้อยู่อย่างนั้นนะเผลอไม่ได้เลยนะเพราะเผลอแล้วมันเอาแล้วมันทำจิตให้เอียงแล้วกนะิเลสเพราะว่ากิเลสนี่เมื่อเราละมันไม่ได้มันไม่ใช่อยู่ไกลเรานะมันอยู่กับจิตนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเวลาเรามีสติอยู่เราไม่ทิ้งความดีคือบุญกุศล กิเลสนั่นมันก็เลยไม่มีอำนาจที่จะมาฉุดฆ่าจิตใจนี้ไปได้เรื่องมันน่ะแต่พอเราเผลอสติเมื่อใดอ่ ะ, อะทอดทุระบุญกุศลความดีเสียอย่างนี้นะเอากิเลสมันก็ได้ฆ่าแล้วมันก็โผล่หน้าขึ้นมาปั่นจิตให้วันไวไปตามอำนาจของมันได้เลยนี่เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจ ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงให้ฟังนี้นะโดยสรุปใจความแล้วก็ว่าขอให้พากันมีสติสมัมปชัญญะระมัดระวังอาการกายวาจาใจของตนเสมออย่าให้มันผิดมันพลาดอย่าให้มันเผลอไปร่วง สินล่วงทมล่วงคำสอนของผูติดเจ้าไปอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะได้เป็นกลางสม่ำเสมอไปดังแสดงมา